มัคคภาวนาการเจริญมัค ก, การทำมัคให้เกิดมหันตโทษคือโทษหนักมังสะคือเนื้อหรือชิ้นเนื้อมาติกาแม่บทหัวข้อเรื่องราวต่างๆมาตุคามผู้หญิง เพศหญิงมาณาวธรรมศาสตร์เป็นชื่อกฎหมายโบราณมานัดวัดคือข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ภิกษุต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วต้องขอต่อสงฆ์แล้วประพฤติหกราตรีแล้วขออับปานต่อสงฆ์ครั้นสงสุดอับปานแล้วจึงพ้นโทษ มาสกับหรือมาศมาตราเงินอินเดียโบราณห้ามาศเท่ากับหนึ่งบาทในครั้งนั้นมุสาวาทวักมวดแห่งสิขาบทอันว่าด้วยเรื่องพูดบดเป็นต้นมุสาสัศปรับพูดเท็จกลักกรอกเชื่อไม่ได้หรือมุสาล้วนไม่มุ่งยุยง มูรธาพิเศษพิธีหลังน้ำรดพระเศียรในงานราชาพิเศษหรือพระราชาพิธีอื่นมูลเชตตัดรากเงาแห่งความเป็นสมณะหรือหมดโอกาสที่เจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาเมนทการุญาตข้ออนุญาตที่ทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุ ยินดีต่อของอันเป็นกัปปิยะคือของที่เหมาะสมกับสมณะซึ่งเกิดแต่รูปิยะคือเงินตราที่ขริหัดนำมามอบไว้ในมือกัปปิยะการกคือผู้ทำหน้าที่จัดของที่สมควรแก่ภิกษุบริโภคและสั่งไว้ให้จัดถวายเพราะประธานอนุญาตเกมเมนทกาศเสศถีผู้กราบทูลขอเป็นคนแรกจึงได้ชื่อว่า เมธะการอนุญาตเมรัยน้ำหมักดองซึ่งไม่ได้กลันที่ทำผู้ดื่มให้เมาโมหาโรปนกกรรมกิริยาที่สวดประกาศยกโทษขึ้นว่าแท่งทำหลงแกล้งทำไม่รู้ ไม่ประกับผู้ใดผู้หนึ่งไม่ทับไม่ขาบเกี่ยวกับที่ดินของผู้ใดผู้หนึ่ง